ชพชัยภูมินิมนต์ให้ไปแสดงธรรมแก่บัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาก็ไปแสดงธรรมในช่วงที่เ ข, เขากำลังมีการซ้อมรับปริญญาแลเพิ่งรู้ว่าการซ้อมรับปริญญาเด๋ยวนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจังมากเพราะว่าซ้อมสามวันซ้อมสามวันและวันนี้ก็ซ้อมใหญ่เพื่อที่จะได้ไปรับปริญญาวันที่28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 เหมารถตู้ขับรถส่วนตัวกันไปร่วมนะฉลองการรับปริญญาของลูกหลานทางอาจารย์ที่นั่นก็บอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงไปกันมาตั้งแต่วันที่ 28-27 จนะจากชัยภูมิก็ไปสกลนครไปค้างคืนก็ต้องจองโรงแรมโรงแรมนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลก็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 พ่อแม่ได้ทุ่มเทหรือเปล่ามันนึกแล้วนี่ก็บันทีก็น่าสงสารน่ะน่าเป็นห่วงด้วยว่ า, าหลายคนที่อุตสาหภาคเพียรเรียนจบจนได้ปริญญาบัติมาเรียนจบยังไงก็ไม่รู้นะได้มาแล้วนี่ก็ทางหน้าที่พ่อแม่ก็ดีใจนะเจ้าตัวก็ดีใจ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 เขาก็ไม่ได้ดูแค่ปริญญาบัตรไม่ได้ดูแค่วุฒินะเขาก็ดูความสามารถดูว่ามีวิชาความรู้ที่จะมาใช้งานได้หรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ผ้าเอ ก, กชนก็มักจะบอกว่าความรู้ที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่พอมาทำงานกับเขาก็ต้องฝึกเพิ่มเติมความรู้เข้าไปเพราะว่านักศึกษาจำนวนไม่น้อยเนี่ย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 แต่พูดเท่านี้คงไม่พอนะเพราะว่าเวลาพูว่ารูป ก, กับนามกายกับใจเราก็อาจะมึนนึกถึงกายใจของตัวเองนะแต่ว่าขันท่านี่มันรวมไปถึงสิ่งนอกตัวด้วยทรัพย์สมบัตินะบ้านเรือนอาหารการกินนี่ก็เป็นรูปนะส่วนเรื่องนามนธรรมนะก็จัดว่าอยู่ในฝ่ายนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ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 ได้ไม่ว่าจะสัญจรด้วยแพรหรือว่าเรือก็ตามถ้ามีความสามารถในการคัดท้ายเรือคัดท้ายคัดแพก็สามารถจะพาไปถึงจุดหมายได้โดยไม่เกยตือ้อหรือไม่โดนเกาแก่ชนจนพังอันนี้แหละเป็นเรื่องความความสามารถที่ว่านี้ก็กกคือกรรมนั่นแหล ะ, ะคนที่ทํากรรมดีแล้วก็ มีสติปัญญาฝึกฝนพัฒนาตนก็สามารถที่จะนำพาชีวิตให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางได้โดยอาศัยกระแสนา้าหรือกระแสเหตุปัจจัยเป็นเครื่องนุนส่งให้ไปถึงจุดหมายถ้าเราไม่เข้าใจนี้เราก็เข้าใจว่าก็ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมการปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมอันนี้ก็ไม่ต่างจากการ ทำตัวเหมือนกับจอกแหนแต่เราสามารถที่จะใช้กระแสน้ำเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการพาตัวเให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ฉันใดก็ฉันนะั้นเราก็สามารถใช้กระแสธรรมชาติกระแสเหตุปัจจัยเป็นประโยชน์เพื่อที่จะพาชีวิตของเราไปถึงจุดหมายจุดหมายคืออะไรจุดหมายสูงสุดก็คือความพ้นทุกข์นิพพานถ้าถามว่าชีวิตควรให้เป็นไปอย่างไรนะ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 ในคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงออกมาด้วยหลักอริยสัจสี 4, นะ่ขันธ์ห้าไตรักนะนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะพอถ้าเกิดเราได้ได้ฟังบางทีก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากเรื่องหนักนะยิ่งเป็นภาษาบาลีด้วยแล้วนะก็ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมา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 โดยที่ไม่จาเป็นต้องอไปไปเรียนจากตำรับตำราแต่ว่าศึกษาใครครวนจากชีวิตของเราหรือว่าการที่เราได้ฟังทมจากครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็จะสอนเน้นไปคนละแง่แต่ถ้าเรารวบรวม <c oughs> หรือสรุปนะมันก็ไม่พ้นจากที่พูดมา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 ที่พึ่งคืออะไรก็คือพระรัตนตรยัยพระพุทธธรรมประสงค์แต่ส่วนใหญ่ก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างเดียวเป็นที่พึ่งในความหมายที่ว่าทำให้อบอุ่นใจนะหลายคนก็นับถือพระเจ้าไม่ต่างจากนับถือเทวดาหรือนับถือพระเจ้าก็หวังอำนาจโดนบันดาลของพระองค์หรือว่าหวังอิอทธิฤทธิปฏิหาร จากพระพุทธเจ้ามาคุ้มครองตัวให้อยู่รอดปลอดภัยชาวพุทธจานวนมากก็นับถือพระตนะไตรหรือพระพุทธเจ้าในแง่นี้เท่านั้นก็จะคอยไปกราบไหว้พระพุทธรูปเพื่อขอให้ท่านคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยมีโชคลาภศาสนาไปกราบพระเจ้ามรากฏไปกราบพระหลวงพ่อโสธร ไปกับพระพุทธชินราชหรือว่าหอยพระแขวนพระเอาไว้การนับถื อ, อพุทธศ า, าสนาแบบนี้นี่มันไม่ช่วยทําให้เกิดปัญญาเลยและมันไม่ช่วยทําให้มีวิชาชีวิตได้แตถ้าเกิดเรานับถือพุทธศาสนาแล้วเราสดับฟังคําสอนของพระเจ้า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 วิชาทั้งโลกนี่มันเป็นเรื่องการใช้ความคิดเสียมากนะแต่ว่าถ้าเก่งแต่ทฤษฎีนะไม่ไม่ไม่มีทักษะมันก็เอาไปทำมาหากินได้ได้ยากเรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับกายวิภาคเรียนรู้เรื่องยาแต่ว่าไม่มีความไม่มีทักษะในการ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 ฟังทำจากท่านแล้วยังไม่พอนะต้องรู้จักคิดไข้ครวรตรงนี้ท่านใช้คําว่าโยนิโสมนสิการที่ไข้ควรแล้วนะตกผลึกแล้วเห็นจริง เ, เห็นจังแล้วนะมันต้องลงมือปฏิบัติและต้องปฏิบัติให้ถูกด้วยนะท่านใช้คําว่าธรรมานุธรรมปฏิบัตินะสประการนี้เนี่ยนะคือครบสัตบุรุษ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 เมื่อเจอเข้ากับตัวก็ทำใจยอมรับได้แต่ถ้าไม่ไม่เรียนวิชานี้นะมันก็จะมีความเชื่อผิดๆมีความหลงว่าชีวิตนี้นะจะประสบแต่ความเจริญอย่างเดียวนะไม่มีเสื่อมไม่มีแปรเปลี่ยนไม่มีแปรผัน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 แต่ว่าต้องรู้จักสร้างสติสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นด้วยเพราะถ้าไม่มีสติเมื่อไรนะไม่มีความรู้สึกตัวเมื่อไรพอเวลามีอะไรมากระทบนะมีความพันผลปลนแป ล, ปลปเกิดขึ้นก็หมดเนื้อหมดตัวจมอยู่วความทุกข์จมอยู่วความเศร้าโศกเสียใจถ้าไม่มีสติแล้วนะปัญญามันก็ไม่เกิด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 อ้วถ้ามีความสึกตัวเป็นจุดตั้งต้นนะไอ้ที่เหลือนี่มันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอลรมณพ่อคำเขียนท่านเคยท่านพูดว่าเนี่ยให้มีความสึกตัวไว้ตั้งต้นที่ความสึกตัวแล้วที่เหลือมันก็ดี จ, จะดีไปเองเมื่อเรามีความสึกตัวเป็นจุดตั้งต้นมีสติเป็นเครื่องรักษาใจ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 ไปไปไหนก็ไม่รู้นะบางทีแทนที่จะทำบุญกับทําบาปด้วยซ้ำํำเช่นไปตีกันนะผู้ที่ไปทําบุญแต่ว่าเกิดมีการคอมเน์กันทําบุญทอดผ้าป่าทำบุญทอกดกระถิ่นทําบุญฉลองโบสถ์แต่ว่ามีการคอมเน์กันระหว่างวัยรุ่นลืมตัว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 ในขณะที่วิชาทั้งโลกนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีความสะดกสบายนะมีความสำเร็จนะแต่ว่าก็ยังหนีทุกข์ไม่พ้นเทวนกว่าเราจะมีวิชาชีวิตนะก็ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้อ๋อคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะกราบพระ